ขอความสุขความเจริญจึงมีท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้จะพูดเรื่องสัมมาทิฏฐิสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยความเห็นชอบเป็นคำกล่าวของพระสารีบุตรเถระซึ่งก็เป็นเช่นเดียวกับพระพุรรทธธรรัดที่พุทธเจ้าทรงสแสดง พระสารีบุตรพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ประเชศต ว, วันพระสารีบุตรเรียกภิกษุสง์มาเมื่อท่านทั้งหลายเหล่านั้นมาพร้อมกันแล้วพระสารีบุตรก็ถามว่าที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิทิฏฐิเนี่ยเบื้องเหตุกี่ประกาศเปรียสสาวกจึงจะชื่อว่า เป็นผู้มีความเห็นชอบมีความเห็นทรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่ครอนแครนได้มาสู่พระธรรมนี้แล้วเราจะเห็นว่าความเห็นชอบเป็นหลักใหญ่ในธรรมพระพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นปัญญาสีขาอริยมรรคมแปประการก็เริ่มต้นที่สมาธิ คือปัญญาเห็นชอบตามความเป็นจริงเปริยะสาวกที่พยายามประพฤติปฏิบัติพัฒนาตัวเองมาโดยลําดับจนถึงจุดหยุดหนึ่งมันเกิดความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงขึ้นมาหมายความว่าความจริงในเรื่องเหล่านั้นเป็นยังไงท่านก็เห็นชอบตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นนั้น หรือว่าก็ตามความเป็นจริงแล้วเราก็สัมผสัสเรื่องเหล่านี้มาอยู่ทุกวันแต่ความเห็นเราก็ไม่ชอบอย่างยกตัว อ, อย่างว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ลุกพ้นความแก่ไปได้เรามีความเ จ, บมมเจ็บไข้ เ, เป็นธรรมดาไม่ลุพ้นความเจ็บไายไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ลุกพ้นความตายไปได้เราจะต้องรัรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไป นั่นก็เป็นความเห็นชอบ G. ชีสถูกต้องแต่ความเห็นชอบของเรานันเรายังไม่สามารถถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในสังขารทั้งหลายลงไปได้เราจึงเดือดร้อนเพราะความแก่เพราะความเจ็บเพราะความตายเพราะการพระภาคสูญเสียเกิดโศกะปริเทวาคร่ำครวญเมื่อ คนมันเป็นที่รักของเราประสบความแก่ความเจ็บความตายเพราะเราประสบความพลาดพลาเพราะเนื้อหาของคำว่าความเห็นชอบก็คือเมื่อเข้าถึงความจริงแล้วจิตจะไม่แปรผันไปแต่ยอมรับความจริงตามที่มันเป็นรมเป็นอย่างนั้น ของมันก่อนที่เราจะเกิดขึ้นมาในโลกนี้แล้วก็เรียกว่าเกิดมาพร้อมๆโลกหรือก่อนโลกเพียงแต่ว่าก่อนโลกนั้นไม่มีที่แสดงออกซึ่งความแก่ความเจ็บความตายและการประจพรากเพราะยังไม่มีชีวิตแต่ธรรมะคือกฎธรรมชาติเด็กเขเกิดมา ก็เป็นของเขา อ, อย่างนั้นเองอะไรก็ตามแม้จะเกิดมาในตอนหลังแต่ว่าก็ต้องประสบกับความแก่ความเจ็บความตายและการแพร้พลาดสูญเสียพ ร, ระยะบุคคลที่เนัดมนชอบเนี่ยคือเห็นตรงตามที่มันเป็นแต่ว่าความเห็นชอบหรือความเห็นตรงนั้นจะต้องไม่ ทำให้ใจิตใจแปรผันไปด้วยอํานาจของกิเลสหรืออํานาจของความทุกข์ถ้าใจยังเวียงไปออกที่กิเลสหรื อ, อยังออกเวียงไปออกที่ความทุกข์ก็ไม่ชื่อว่าเป็นปัญญาเห็นชอบที่แท้จริงถ้าเห็นชอบก็จะประกอบด้วยความเรื่องใสในธรรมไม่มีความง่อนแงนคลอนแคลนไม่ว่า สถานการณ์โลกสังคมชีวิตจะเปลี่ยนแปลยปล ย, ยังไงก็ตามเอาการเห็นชอบขนาดพระโสดาบันอย่างคนโลกเรือนเป็นขอทานที่ชื่อสุปปะุทธกุจิเป็นโลกเรือนด้วยขอทานด้วยเป็นคนเร่ร่อนจรจาดไปขอทานไปในที่ต่างๆ แต่เมื่อท่านในบรรลุมพระผลเป็นพระโสดาบันมีปัญญาเห็นชอบตามความเป็นจริงแล้วท้สกะเทวราชได้ทดลองโดยการนิรมิตตนเองเป็นพราหมบรรทุกพองคําเต็มเล่มเกวียนมาเสนอให้ท่านแกไปเสดว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าประธรรมไม่ใช่ประธรรมผสมไม่ใช่ระสง์ ท่านไม่ยอกแตนยังตำหนีท้ทาสะกะเทวราชด้วยประการต่างๆแล้วยังบอกว่าแท้ที่จริงท่านไม่ได้อยากจนแต่ท่านร่ำรวยด้วยอริยทรัพย์คือศรัทธาคือศีลคือฤทธิ์คืออตตปะคือปุสัจคือริยะคือสติคือปัญญา แั้นก็แสดงให้เห็นว่าความมินชอบระดับที่ไม่คลอนแคลนเนี่ยมันจึงเริ่มแน่แน่นอนขึ้นมาตั้งแต่เป็นปะโสดาบันแต่ว่าสามัญชนเราอยังไงมันก็แวง่งพอโดนแรงกระแทกแรงๆก็อดจะแว่งไหวไม่ได้วันไหวไม่ได้สั่นคลอนไม่ได้แ้วถ้าเรานั้นก็ได้ มาสู่พระสัท ธ, ธรรมจริงๆหมายความว่าจะเป็นการศึกษาจะเป็นการปฏิบัติจะเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาและปฏิบัติก็ได้เกิดขึ้นกาจิตใจท่านจริงๆทีนี้เมื่อพระเทราไปถามภิกษุภิกษุท่านก็ฉลาด ท่านบอกว่าผมมาจากทางไกลามาก็ต้องการจะกราบเรียนถามใต้เท้านี่แหละขอให้กรุณาอธิบายขยายความแห่งคามิษฐ์ที่ได้กล่าวเอาไว้ภาษาดิบุตรก็บอกให้ตั้งใจฟังท่านเหล่านั้นก็ขานรับพร้อมกัน แต่พระสารีบุตกรกล่าวว่าเหตุที่พระยศสาวกู้ชัดอกุศลกับทั้งรากงาวของอกุศลคือการมองปัญหาตามที่พระพุทธเจ้าและพระยพระาบุคคลท่านบรรลุมือ ท, ท่านไม่จะตัดสินตัวประสบาปรากฏการต่างๆที่เกิดขึ้น เถ้นสมมติว่าคนทะเลาะชกปต่อยกันเนะี่ยในแง่ของความเป็นจริงมันก็เป็นเพียงปรากฏการณ์ซึ่งสะท้อนมาจากจิตที่ถูกปรุงด้วยความรู้สึกไม่ดีระหว่างคนทั้งสองฝ่ายแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็คุมความคิดตัวเองไม่ได้ก็ออกมาในรูปของการชกต่อยกัน หรืออจะเลยเถิดไปเกิดเป็นศึกสงครามก็ได้ศึกสงครามระดับหมหาปรายุทธ์หรือว่ามายุทธสงครามโลกสองครั้งที่ผ่านมาเราจะรายงานเฉพาะปรากฏการณ์มีการเกิดขึ้นมีความสูญเสียอะไรยังไงคนตายเท่าไหร่บาดเจ็บเท่าไหร่บ้านเรือนสูญเสียเท่าไหร่เนี่ยเราก็พูด แต่ว่าแท้จริงแล้วมันเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการทําสุดสงครามกันกรไีหน่อยมันก็สั่นโคนขาหางการมันก็ต้องเพื่อนแนหะแล้วก็เพื่อนกันทั้งสองฝ่ายเพีเยงแต่ว่าใครเพื่อนมากกว่าเท่านั้นเองแต่พระเจ้านั้นท่านจะสาวเข้าไปสิงจิต ข้าไปถึงตัณหาข้าไปถึงอุปาทานข้าไปถึงอวิชชาซึ่งเป็นรากง้าวเป็นที่มาของโทสะพยาบาทตอนนั้นประการที่คนทะเลาะ ก, กันนั้นไม่แน่บางทีมันทะเลาะ ก, กันเพราะโทสะบางทีมันทะเลาะ ก, กันเพราะโลภะบางทีมันทะเลาะกันเพราะราคะที่ทะเลาะ ก, กันเพราะโมหะ เพรสาเหตุจริงๆมันจึงอยู่ที่พูดนี้แหละติะเบทยากล่าวว่ารู้ชัดอกุศลกับท้งรากเงาของอกุศลรากเง้าของกุศลส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงโลกุตโลงเป็นรากเงาของอกุศลทั้งหลาย ไม่ว่าเราจะแตะที่ไหนก็ตามและพฤติกรรมในทางลบที่เกิดขึ้นภายในสังคมนั้นก็เป็นอาการของ โ, โรคปวดหลงสืบเนื่องม า, าจาก โ, กโรคปวดหลงแล้วแสดงอาการก็กลายเป็นปรากฏการณ์มีการรบพุ่งมีการแข่นข้ามีการตอ่อสู้มีการยื้อแย่งมีการด่าทอกันเราจะต้องรู้ทั้งสองอย่าง มันทำนองคล้ายๆกับเรารู้เฉพาะอาการโรคแต่เราไม่รู้สมุทรฐานโรคเนี่ยมารักษาโรคไม่ได้แต่ว่าตอนสวดนั้นเราต้องสวจที่อาการก่อนแล้วก็สาวจากอาการไปสู่สมุทรฐานแล้วก็จะสมุทรฐานเนี่ยมันก็จะสาวถึงจริงๆมันต้องสืบสาวถึงประวัติ แต่เรา่าคนป่วยเนี่ยหมอธรรมดาก็ตรวจไปได้แค่นั้นคือหมายความมารู้ตามที่คนป่วยบอกญาติคนป่วยเขาบอกแต่ถ้าเรามองในมิติของพระพุทธศาสนามันเป็นเรื่องของบุญบาปในอดีต ท, ที่บุคคลเหล่านั้นได้กระทำเอาไว้ได้สร้างเหตุเอาไว้แล้วก็ผลักดันให้เกิดผล ในลักษณะจะลบหรือบวกก็ตามแต่ในที่นี้ก็คือลบนะทีนี้ก็อาจจะสาวต่อบว่าทำไมจึงเกิดนะอย่างนั้นมันก็กลายเป็นเรื่องความรู้ระดับญานแล้วทีเนี้ญานก็ต้องเรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องพระอราหันต์ทั้งหลายแต่การรู้ลึกซึ้งขนาดนั้นก็เป็นเรื่องพระพุทิเจ้าแล้ ในขณะเดียวกันก็รู้ชัดกุศลกับรากเง้าวของกุศลอากุศลแปลว่างโง่เขลากุศลแปลว่าฉลาดเบื้องคนฉลาดมันก็เริ่มตีความคิดซึ่งเป็นกุศลความคิดที่เป็นกุศลของเราพอก่อกรุงข้าวมันก็คือไม่โลบไม่บดไม่ลบ จิตที่ไม่โลภจิตที่ไม่โกรธจิตที่ไม่หลงก็แสดงว่าอากุศลครอบงมไม่ได้สิ่งที่ปรุงจิตอยู่ในขณะนั้นก็คื อ, อ, อกุศลแต่กุศลก็คือไม่โลภไม่โกรธไม่ลงแม้แต่พูดระดับ ย, ย่างคลายเช่นว่าราคะจางไปโทสะจางไปโมหะจางไปโล โทสะจางไปโมหะจางไปเนี่ยมันก็ข้าสู่กระแสกุศลแล้วกระแสกุศลได้เดือดึกซึ้งหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเข้าสู่กระแสแล้วมันก็รับสาวอย่างสมมติว่าคนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีคนกลุ่มหนึ่งประสบอันรายมีคนกลุ่มหนึ่งไม่รู้จักมักเกียรอะไรกันเลยก็กุลีกุจอช่วยโดยไม่คำนึงถึงความเหือยยากความเสี่ยงภัยความทุกข์ทรมานของตัวเองเหล่านั้นเป็นปรากฏการณ์ทางจิตซึ่งเกิดขึ้นมาจากจิตที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจิตที่มีความเสียสละ จิตที่มีเมตตาการุณาจิตที่มีเหตุผลสติปัญญาเพราะว่าในสถานาการณ์อย่างนั้นใครก็เถอะมันช่วยตัวเองไม่ได้หรอวบนคนอื่นที่ไม่ตกอยู่ในสถานาการณ์เช่นนั้นต้องชื่อเหือคือคุณเขาเราก็สาวไปเจอความเสียสละความเมตตาการุณา สติปัญญาของบุพนห ล, ล่อนั้นหรือพูดง่ายๆก็คือไม่โลบไม่กดไม่หมันกล่าวก็เป็นรากเงาวของกุศลธรรมโดยพระเถราก็สรุปว่าเพียงเท่า น, นี้แหละคนณเพียงเท่า น, นี้คือหมายความมารู้อกุศลกับรากเงาวของกุศลรู้กุศลกับรากเงาวของกุศลเจ้าบุต เพราะอะไรเพราะว่าในอริยศัสตร์สี่ซึ่งเป็นคำสอนสรุปพระธรรมทั้งหลายที่พระเจ้าทรงแสดงในส่วนของทุกษ์นั้นเป็นสิ่งที่ควรกาหนดรู้แต่มันเป็นสิ่งที่สืบเนื่องมาจากอากุศลยลับหรือเปลก สมุทัยต้องละมันก็มาเป็นเหตุได้นำไปสู่ความทุกข์นี่รอที่ต้องทําให้แจ้งมันก็เป็นผลของกุศลคือมรด์มรแดมมันก็มาจากกุศลจิตจึงมีสติปัญญาเป็นหลักอยากแยะเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรแล้วในสุดทัดก็เดินไปตามวิถีของมรด ก็ไปสลายกลุ่มกิเลสเมื่อกิเลส ล, ลดลงพวกความทุกข์ก็ลดลงพกวความสุขก็เพิ่มขึ้นด้ยวยเพียเท่านี้พระยศสาวกก็ชื่อว่ามีความเห็นชอบมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่พรอนแคล์ได้มาสู่พระธรรมนี้แล้ว คือหมายความว่ามัมาสู่ระบบของพระัฐธรรมทั้งสามนะฮะมาสู่ระบบการศึกษาการปิบัติและการสัมผัสผลแต่ว่าถ้าเรียกพระริาสาวกได้มันก็ต้องอย่างน้อยก็ผลระดับประโสดับบัณแต่ผลระดับทั่วไปก็ยังไม่ถือว่าได้สัมผัสผลที่แท้จริงประการต่อไปพระเถระก็มีการจําแนกออกไปเป็นชุดๆนะฮะ เป็นชุดๆเรียกชื่อแต่และหัวข้อเนี่ยจะมีชื่อมีชื่อมีชื่อไปในชุดแรกก็คืออากุศลและรากงาของอากุศลอากุศลในที่นี้หมายถึงสิ่งที่สัมผัสได้โดยการเห็นโดยการฝังหรือว่าแม้แต่ด้วยความคิด จิตใจของบุคคลการได้เห็นนะคนอื่นเห็นได้การได้ฟังในคนอื่นได้ยินได้แต่ว่าการรู้ด้วยใจเนี่เป็นเรื่องของคนคนนันแล้วคืออะไรอะคืออคุสนคือหนึ่ง อ, อปานาติบาต เจตนากระทาชีวิตของบุคคลผลัดให้ตายลงไปเราพูดกันว่าการฆ่าสัตว์แล้วก็เจตนาตือสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เดือการเน่ขโมยการประพฤติผิดในทางเพศการโกหกเรียกมุสาวาทการส่อเสียด การพูดคําหยาบและการพูดคําเพ้อเจอเิดเหล่ยวไหลนี่ก็เป็นอาการที่คนอื่นเขาได้เห็นแล้วก็ได้ยินแต่อย่าลืมว่ามันเป็นอาการของอกุศลทีนี้ถ้าถามว่าอาการของอกุศลเหล่านี้มันมาจากอะไรก็มาจากอากุศลละมูล แต่คุณสุลมูเนี่ที่ยิงมันเกิดที่จิตก่อนในที่นี้พระเถระประยกตัวอย่างวันหนึ่งอภพิชาความเพ่งเล็งโลภอยากได้พยาบาทความระทุสลายมิชาทิทิความเห็นผิดจากทํานองครองธรรมตั้งแต่น้อแหละตั้งแต่ เห็นทำดีไม่เลย ด, ดีทำช่วยเ ด, ดีเนี่ยมันก็เห็นผิดแล้วทีนี้อาคุสนเราเรานี้เราจะเห็นว่ามันมาจากความโลภความโกรธความหลงด้วยกันเอาเช่นฆ่าสัตว์ฆ่าเพราะโลภ ก, ก็ได้เพราะโกรธก็ได้เพราะโง่ก็ได้ลักทัพย์ ก็กรักเพราะโกรธขวว่าไม่อาสู ม, สมากกว่ารักเพราะโลกแต่บางทีต้องการจะแก้แค้นบางทีเพราะไม่เข้าใจอะไรเป็นอะไรไม่เข้าใจอะไรควรอะไรไม่ควรก็เป็นอาการขอโมหะเบื้ทุจริตทั้งหลายจึงเชื่อมโยงอยู่กับยิตที่โลภที่โกรธที่ลง เราคุ้นนะธรรมะชุดนี้เราคุ้นมากอย่างการนักเรียนเองก็เรียนตั้งแต่มอะไรล่วปอสองปสามแล้วระบวนใหม่ก็เรียนตั้งแต่นังสือเล่มแรกนังสือนอกก็ว่าทั้งหมดทุกข้อแหละแล้วก็เราก็คุ้นคุ้น แต่ถ้าเราไปสรวจสอบดูว่าเอ๊ะปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะสิ่งต่างเนี้ยเพราะสิ่งต่างเนี้ยโดยมีรากแง่อยู่เพียงสามอย่างคือโรคอุดตันอาการของความเพ่งเล็งโลภอยากได้ก็เป็นอาการของความโลภอาการพยาบาทความบองได้ความ คิดประทุษรายก็เป็นเรื่องของโทสะความเห็นผิดก็เป็นอาการขโมหครับแล้วก็หมุนวนอย่างเงี้ยเห็นปิจากคานองคองครับเรื่องบางเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่เราก็พยายามที่จะคัดคานทูนปริงไม่เห็นด้วยไม่เห็นชอบ จนขนาดไปเสดว่าพ่อแม่ไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณแม่ไม่มีคุณโลกนี้ไม่มีการอธิษฐานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพิติกรรมต่างๆไม่มีผลการกระทําดีทําชั่วไม่มีผลซึ่งเราก็เห็นกระจัดจ้าในแต่ละวันแน่นอนคนตายเกิดตายแล้วเกิดอีกนั้นไม่เราอาจจะเห็นว่าไม่มีเพราะเราไม่เห็น แต่ว่าสินเพียงเพราะเห็นก็ไม่ได้เพราะที่จริงปูย่ย่าปู่ทวดญ่าทวดเราเราก็ไม่เห็นแต่เราก็เชื่อว่ามีพอเรามองในลักษณะที่เชื่อมโยงกันมาจากทวดปู่ทวดย่าทวดก็มาเป็นทวดมาเป็นทวดก็มาเป็นปู่ญ่าตายายก็มาด้วยมายจนถึงเรา เราเองก็เชื่อโยงไปได้ไกลกว่านั้นแต่ก็เขาไม่มีคาเรียกกันนนั้นนี่นัน้วก็สแสดงให้เห็นว่าเราจะตัดสินด้วยการเห็นเพียงอย่างเดียวมันก็มีไม่ถูกอะพระารเพราะประสาทสัมผัสเรามีสังคมคือตาหูจมูกดินกายใจเสียงเราก็ไม่เห็นแต่เราก็เชื่อเพราะเราได้ยิน รสเราก็ไม่ได้เห็นรสเนี่เราไม่เห็นเช่นอาหารเนี่ยมันไม่ใช่รสอันนั้นมันรูปรสคือโอชะรสที่เราสัมผัสด้วยประสาทลิ้นเราก็ไม่เห็นด้วยตาแต่เรารู้ด้วยประสาทลิ้นเพราะฉะความความคิดเป็นอันมากที่เรานึนกว่ามันคมแล้วมันถูกต้องแล้วที่ยิงไม่ถูกต้อง ตามกฎธรรมชาตินะฮะมันมีมาตรวัดก็คือกฎเกณฑ์ที่ปมีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาของมันทีนี้ประการต่อไปนั้นพระเถระก็มาแยกกุศลและรากงาของกุศลในรายการนี้เราเจอ เรื่องกุศลกรรมบทอกุศลกรรมบทเยอะมากเมื่อหลายปีที่แล้วพลเอกเสรีก็ขอให้บรรยายลงซีดีมาก็บรรยายเรื่องมนุษยธรรมก็คือกุศลกรรมบท10สิบแล้วก็ในเป็นไปเบิกเล่นเนี้ย พระสูตรนี้มาถึงพระสูตรที่แดที่เก้าเราก็เจอพวกบุตรสนกบฏอกุศลกรรบทบกรรบที่เยอะเพราะมันเป็นพฤติกรรมที่เด่นชัดของคนชั่วคนดีท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามนุษยธรรมแปลว่าธรรมะที่ทำคนให้เป็นมนุษย์หรือไม่เป็นมนุษย์ ตามนุษย์มีการประทุษร้ายชีวิตรั์สิสงกู้ครองของกันอะรกันมีการโกหกหรอกลูมีการยุยงให้เกิดความแตกแยกมีคำหยาบคายร้ายกาจมีคำเพ่อเจ้อเลวไหลจิตใจก็มากด้วยความโลภอยากได้ของคนอื่นมากด้วยอาฆาตพยาบาทบุคคลอื่นเห็นผิดจะทํำนองครองทรรโลกมันก็ไม่เป็นโลก เราพอเข้าสู่กะลียุคมองเห็นเป็นสัตว์ที่ตัวเองมีสิทธิอันชอบธรรมจะไล่ล่ า, ลาเพราะฉะนั้นพฤติกรรมทั้งหลายที่มันถูกมันก็อยู่ในกรอบของกุศลกำหนดสิทธทิผิดก็อยู่ในกรอบของกุศลกำหนดสิิ พ้นมาถึงกุศลและรากง่าของกุศลปฏิราก็แสดงว่ากุศลเป็นอะไรเล่าคุณกุศลก็คือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากอะไรล่ะจากการฆ่าสัตว์จากการเหลือสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เหลือการแห่งกขโมย จากการพิสูผิดในทางเพศจากการพูดเทศพูดสออเสียดพูดกรัรมยาพูดเดียวไหลแ ล, ล้วกำกับควบคุมใจเอาไว้ไม่ให้โลภอยากได้ของของบุคคลอื่นไม่อาฆาตพยาบาทปองร้ายบุคคลอื่นมีความมีชอบตามทำนองครองธรรม ทีนี้ถ้าสามว่ากุศลเหล่านี้ไม่มีรากมาจากอะไรก็มีรากมาจากความไม่โลภความไม่โกรธความไม่ลงความไม่โลภ ค, คืออะไรคือเสียสละพวกทานพวกสงเคราะห์พวกอนุเคราะห์ ามไม่โปรดคืออะไรก็คือเมตตาามไม่หลงคืออะไรก็คือปัญญาสติปัญญามม้ก็กลายเป็นสังคมที่อยู่ด้านบวกอยู่ร่วมกันในการสร้างสารรค์ปรัฒนาให้เกิดสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ขึ้นในชีวิตของตนเองและบุคคลอื่น สางสรรพัฒนาสังคมไม่มีความเจริญก้าวหน้ามากจยิ่งขึ้นไปปฏิราชกล่าวว่าเมื่อได้ละอริยรสาวกรู้อกุศลกับทางราก n g าวของอกุศลและรู้กุศลกับทางราช n g าวของกุศลอย่างนี้แล้วเมื่อนั้นเธอจะละ ราคานุสสยนุัสเป็นกิเลสประเภทสงบนิ่งอยู่ในจิตในลักษณะคล้ายๆกัตรกรอยู่ที่ก้นผาชนะถ้าไม่มีการเขย่าพัฒนาเร่งแรงหรือพัชนะใหญ่พอที่จะต้านทานแรงเขย่าได้มันก็สงบอยู่ได้นานแต่ถ้า ภาชนะไม่ใหญ่น้ำไม่มากขย่ามันก็ขึ้นมาง่ายแต่พอขึ้นมาแล้วฐานะมันก็เป็นนิวรณแล้วฐานะมันก็เป็นมนุษทุจริตวจีทุจริตกายสุจรตกายทุจริต ร, ร, ร, ร, ราคานุษัสก็คือใจที่นอนเนื่องอยู่ใน ความรู้สึกกำหนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีในโล ก, กวัตถุทั้งหลายที่เราสัมผัส ด, ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เก็บสะสมไว้ภายในใจส่วนหนึ่งก็ตกตะกอนตกตะกอนอยู่ภายใน ใ, นใจและเราเสริมกําลังด้วยความเดียวนึกตรึกนึกบ้างโดยการสัมผัสอารมณ์ แล้วก็ตกตะกรใจบ้างคนท้ามีความชัดเจนก็จะละราคาหนุสัยได้บรรเทาปฏิคานุัยคือกิเลสประเภทไม่พอใจไม่ยินดีไม่ชอบหงุดหงิดรำคาญ มันใช่อะไรต่ออะไรต่างเนี่ยลักษณะเป็นความคิดติต่อตันลราถอนทิฏฐิทิฏฐิก็คือความเห็นความเห็นผิดมีประการาต่างๆคือถ้าขนาดถอนแล้วมันต้องเป็นโน้นขึ้นขึ้นไปนะฮะเป็นประสบรบันขึ้นไปสามัญชนถอนไม่ได้หรอทิฏฐิ เพราะว่าเป็นทิฏฐานุสัยด้วยแล้วก็เป็นปฏิขาดุสัยด้วยในขณะเดียวกันมันก็เป็นมานานุสัยเป็นสัโญนอด้วยเป็นเป็นอ น, นุสัยด้วยเป็นอยู่ที่ก้นภาชนะชจิตใจแต่ว่าถ้ามีความชัดเจนระดับหนึ่งอย่างน้อยก็แยกแยะได้แล้วก็ถ่ายถอนพวกปฏิขานุสัยได้ หรือไม่ถ่ายถอนเอาขนาดบรรเทาลดความเข้มข้นความรุนแรงของราคานุสัยปฏิคานุนัสแล้วก็ชิดฐานุสัสหรือชิดจิอนุสัยอนุสัยคือชิตจิพิธีที่มันค่อนขั้งแรงเนี่ ก็คือทิฏฐิในเรื่องของอัตตาตัวตนมองเห็นขันห้าเป็นตนตนเป็นขันห้าขนห้ามีอยู่ในตนตนมีอยู่ในขันห้าเป็นอาการของสักยาติิยี่สิบอยู่ภายในใจเราก็ละได้ค่อนข้างยาก แต่มันชนอย่างดีก็ลดลงไปแต่จะลาเนี่ยต้องพยายามเพิ่มขึ้นอีกหลายส่วนแต่ยังน้อยกอ็ชักเยอะกันอยู่ก็ยังดีไม่ยอมพ่ายแพ้อย่างรับครับเพิ่งคนที่ลาสัจญาทิฏฐิได้ก็คือปะโสรบมัน แต่เรายังลืมว่ามันมีไอท้ทิฏฐิ อ, อนอนด้วยเพราะว่ามานะมันไปละได้ที่พระอรหันต์นะมานะมันก็สอนความรู้สึกมันก็สอนอยู่มานะไปเข้าใจว่าเราเป็นนั่นเป็นนี้เป็นโน้น ก็ถ้าเข้าใจว่าเราเป็นนั้นเป็นนี้เป็นโน้นเนี่ยก็หมายความอ่าเราเมตตาตัวตนให้เป็นนั้นเป็นนี้เป็นโน้นเหรืนพระบานรูปที่ท่านได้พัฒนาการทางจิตระดับสูงสูงโดยเฉพาะยิง่งพวกอภิญญาที่ยังเป็นโลกิยาบางทีตั้งก็สยบ ก, กิเลสเหล่านี้เอาไว้ ก็ด้วยการความเพรญยดสารเรื่อยๆยิล็ดนี้ก็ไม่ฟูขึ้นภายในใจท่านแต่พอแรงกับแทกแรงๆอันนี้ก็จะฟูขึ้นภายในใจิตมีพระเตพระเตพ ร, พ ร, รสองรูปท่านไปหลงว่าท่านบรรลุอรหรันตเป็นพระหันแล้วอายุท่านแปดสิบกว่าแล้ว แปลว่าพระอาหารหันต์รูปหนึ่งที่ประธรรมจินนาชื่อเหมือนผู้หญิงก็มาสอบถามก็ต้องการจากทดสอบท่านเพื่อเตือนท่านส่นตรงๆก็น่าเกลียดท่านเป็นผู้ใหญ่ก็ถามมาใต้เท้าเคยใช้ริดอยู่บ้างหรือเปล่าตอนนี้ก็บอกเคยใช้ บอกขอยแต่เท้าลองนิรมิตเป็นช้างตัวขนาดใหญ่มากแล้วก็เดินสายมาหาเท้าตันก็นี้ไม่ดได้นะนิรมิตได้แต่ว่าช้างมาเดินสายเข้ามาอ ง, งวงใสเข้าไปในปากจ้องมองท่านคมิงเชียวท่านรู้สึกตกใจรู้ทันทีว่า ท่านหลงผิดมาตลอดระยะเวลายาวนานะอันนี้ก็เรียกอาธิตย์มานะสำคัญผิดไม่ปรับประบตินะไม่ปรับประบติแต่ว่าก็เสียเวลาไปเยอะองค์หนึ่งให้ดิรามิดเป็นสระน้ำมีกบบัวแล้วก็มีหญิงสาวรูปร่างสวยงามมาร้องรำทำเพลงมาไล่รำอยู่ แต่ตอนต้ๆนๆใหม่ๆเนี่ยไม่อะไรหรอกแต่พอเธอเริ่มไร้รำ่ำมีกิริยาการยั่วยวนต่างๆจิตมันกำเริบท่านรู้อ้าวผิดท่าแล้วเราไม่บรรลุจริงนี่ป่ะแล้วก็ขอโทษต่อพระธรรมทินาให้พระธรรมทินาช่วยเป็นที่พึ่งให้ ตั้งหลักได้บำเพ็ญเพียรไม่เท่าไรก็บรรลุเพราะเรื่องมันมันเรื่องเดียวันแหละแต่ว่ามันเชื่อมโยงกันแล้วก็มีความลึกซึง้งตัวนี้ก็แสดงแสดงอนุสัยไปสี่ข้อคือแสดงราคานุสัยปฏิคานุสัยทิฏฐานอนุสัยแล้วก็มานานุสัยทีนี้พอมาถึง ตรงนี้ข้าเราจะเห็นว่าละอวิชาได้ต้องล่าวิชาได้นะคือศาสตา์ใดที่ยังอวิชายังอยู่เนี่ยก็ยังไม่แน่บางจุดยังบกพร่องอยู่แล้วก็การที่จะล่าวิชาได้เนี่ยวิชาต้องเกิดขึ้นเมือ่อกล้าความมืดเนี่ยคือแสงสว่างต้องเกิดขึ้นรับ แ, แสงสว่างก็จะทำหน้าที่ขจัดตัวความมือออกไปกิเลสก็มีลักษณะอย่างนั้นเป็นผู้ทาที่สุดแห่งทุกข์ก็คือก็จบทุกกันเพราะว่ากิเลสเป็นเนอเรได้เกิดทุกตัวใหญ่เบิ่มเนี่ยตัวรากแก้วจริงๆตัวรากแก้วจริงๆคืออวิชชาได้ดับไป แล้วก็ดับไปในขณนะนั้นนั่นแหละด้วย เ, เพียงเท่านี้แหละพระญาณมง ค, คลก็ชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นชอบมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมะที่ไม่งอนแงน่นไม่คลอนแคลนไม่ถูกโยกครอนแล้วก็มาสู่พระสัพท์ธรรม ทั้งสามระดับได้ึงคือคือระดับปริยัติศาสตธรรมการศึกษาเรียนรู้ระดับปฏิบัติศาสตรธรรมการลงมือประพฤติปฏิบัติตามหลักของศาสตรธรรมนั้นๆแลือปฏิเวทศาสตธรรมคือจิตที่รู้แจ้งแทงตลอดถึงความจริงเป็ น, นในระดับ กิเลสชื่อต่างๆอย่างกล่าวเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็เป็นอาการทั้งแก้ได้ศีลด้วยสมาธิและโดยปัญญาพวกอกุศลเจ็ดข้อแรกมันก็เป็นเรื่องของศีลถ้าคนรักษาศีลได้มันก็แก้ได้สมข้อต่ อ, อมาเนี่ยมันก็แก้ด้วย ธรรมะแล้วก็โดยสมาธิจนถึงโน้นแหละปัญญาแหละพอสามข้อหลังเป็นเรื่องใหญ่นะเนื่องจากมันไปยึดโยงอยู่กับโลกปดลงทีนี้ตัวลงสุดๆุดเนี่ยพระอรหันตนา่นเองละได้วลกิเลสประเภทโลกพระราคามีละได้ แต่ถ้าลอกที่ละเอียดเป็นรูปปราคะารูปปราคะาหัวใจติดใจเสยบติดเพลิดเพลินอยู่ในรูปประชาในรูปประชานมันก็ต้องเป็นมือระดับพระาหานอีกแหะก็ดูกิเลส2องสามข้อตอนนั้นแต่ว่ารากมันลึกแล้วเกินสาลุงไปลึกลแล้วเกินแล้วตรงนี้เวลาแสดงอาการเราจะพบว่ามันเป็นความรุนแรงที่หาขอบเขตไม่ได้ คนจะไม่สำนึกถึงบาปบุญคุณโทษอะไรได้ขอได้ทำตามที่ตัวเองตอ้องการบาปบุญคุณโทษจะเป็นยังไงต่อไปจะเป็นยังไงนี่ไม่เคยได้คิดหรอกตีนี้อย่าลืม่เมื่อพัฒนาจิตไปได้ถึงเพียงนี้ก็แสดงเห็นว่าอาริมัติเขาก็สมบูรณ์แล้วก็ ตัวอกุศลก็ดับไปอย่างสมบูรณ์โดยทางเดินก็คือดูที่กุศลกับอกุศลหมายความอากุศลก็พยายามลดละกุศลก็กระทำบำเพ็ญในบังเกิดขึ้นแล้วในสุดก็เข้าสู่ความสมบูรณ์พิสูเหล่านั้นก็ ชื่นชมในคํากล่าวของระสาริบุตรคือระษาริบุตรเทศเทศแต่ละกันเนี่ยไม่ง่ายกันเนี่ยเรียกว่ามุ่งนิพพานเป็นเป็นหลักเลยของพระโมคคลานาอย่างเล่านิทานอย่างเล่าเรื่องสวรรค์วิมานเรื่องเปรตเรื่องไรบ้างราสาริบุตรไม่เมียไปแล้วก็ไปเลยมุ่งสู่นิพพานเป็นหลัก ทนภิกษุต้องการความลึกซึ้งมากกว่านั้นในแต่ละประเด็นเนี่ยต้องการในลึกซึ้งมากกว่านั้นอย่าลืมว่ากุศลกับอกุศล น, นั้นกุศลก็เป็นมัดอกุศลก็เป็นเป็นสมุ ท, ทยัยเราเป็นเนตรเกิดทุกกุศลก็เป็นเนตรเกิดนิโรธ ทีนี้มันมันมีนัยยะที่มันลึกลงไปน่าตื่นเต้นคือมันสาวไปจนถึงอวิชชากระอาจารย์ก็ต้องการที่จะรู้ลึกซึ้งกันไปมากกว่านั้นให้ประนีตมากกว่านั้นเพื่อจะพัฒนาอะไระเพื่อพัฒนาให้เห็นมีความเห็นที่ถูกต้องมีความเห็นตรง ประกอบด้วยความเลื่อนใสในธรรมไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนอยู่ในพระสัทธรรมนี้มาสู่พระสัทธรรมนี้ต้องฝั่งทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี